بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أن أن ا ن ت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا متغفر لنا وترحمنا ل ن كوننا من الخاصرين ا ل ل ه h มน فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما الحمد لله ต้องชูกรต่อ سبحانه وتعالى นะครับที่เราได้มีโอกาสมากมายเหลือเกินที่จะขอบคุณ a l l a سبحانه وتعالى วันนี้เป็น ช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเวลางเดือนสุริยัน์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชาติมุสลิมส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องของเราส่วนหนึ่งกำลังเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะประกอบพิธีฮัจจ์ที่มักกะฮ์อัลมุคั ร, รม์มาซึ่งเป็นอิบัตัดที่ยิ่งใหญ่ในรอบในรอบปี นะครับทุกคนหัวใจของพวกเราทุกคนล้วนมีความหวังและก็ปรารถนาที่อยากจะไปเยือนใบยตุลลอห์เบยตุลลอหิลฮารมนะครับที่มักกะฮ์อัลมุคมัรมอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปไปนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่มักกะฮ์แต่หัวใจของเราอยู่ที่มักกะฮ์แล้วท้านวะีอิลัยฮิม อฟดอฟิดาทฮมอะไรนะที่อัลลอฮฺตรัลบอกว่าดูอาของท่านนบีอิบราฮีมท่านนบีอิบราฮีมขอดูอาจากอัลลอให้มักกะเป็นสถานที่ที่หัวใจของมนุษย์ปรารถนาอยากจะไปตัวไม่อยู่แต่ใจไปซะละไปแล้วไปมักกะแล้วนะครับดังนั้นบทบัญญัติของอิสลามมีความสวยงามอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่มักกะ แต่จะทำอย่างไรเพื่อแสดงออกถึงความผูกพันของเรากับมักกะทำยังไงให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับมักกะตอนนี้พี่น้องเรากำลังเตรียมตัวกำลังที่จะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าดูช่องทีวีดาวเทียมเราจะเห็นคนเยอะแยะมากมายเราที่ไม่ได้ไปนี่จะทำอย่างไรให้เรามีความรู้สึกผูกพันกับช่วงเวลาเหล่านี้ดังนั้น ท่านนบีสโลลลอห์หอวะซัลลัมมีนะดของท่านบทหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าเป็นเป็นเป็นเป็นการสนองต่อความรู้สึกตรงนั้นท่านนบีบอกว่ามาน أيام ا ل ع م ل ف ي العمل الصالح ف ي أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه ا ل ص ل ا و السلام ไม่มีการทำอาลัยศัลย์ใด ที่จะเป็นที่รักยิ่งที่ประเสริฐยิ่งนะอัลลอฮ์สุบฮาวตะอัลลมากไปกว่าการทำอมามัลซอเละในสิบวันแรกของเดือน ah. สุลฮิจสุฮานอัลลอฮ์สิบวันแรกของเดือนสุลฮิจนะครับแม้กระทั่งการออกไปสู้ในสนามรบการออกไปจิ h าดในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮาวตะอัลาเองก็ยังไม่สามารถที่จะสู้ การตั ih, allah, al illah, far, im, an, ้งพระ سبحان อัลลอฮ์ الحمد لله การอิสลิฟาร์ استغفر الله و ت و ب إليه การอ่านอัลกุรอานการทาอาลัลซอละที่บ้านเราทีนที่มัสยิดเราออกปริชาดยังไม่เท่ากันเลยยังชนะกว่า j ิ h a d แพ้เฉพาะช่วงสิบวันนี้ยกเว้นคนคนหนึ่งที่ออกไป j ิ h a d แล้วไม่กลับมา ถ้าตายในสมรภูมินั่นแหละกรณีเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะการทำำําอัมมอลซอนและในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุริยจักรได้ไปน้องครับส่วนใหญ่เวลาที่เราจะพูดถึงอัมมอลซอนและเนี่ยเรามาักจะนึกถึงสิบวันสุดท้ายของเดือนรามอกรถไหมครับแล้วเราก็จะเห็นภาพสิบวันสุดท้ายของเดือนรามอกรเนี่ยมาเอ็ดิก้าฟันสูเราเป็นมากมายเหลือเกินมันเป็นช่วงบรรยากาศที่แบบว่าทุกคนทํากันหมดมันง่าย แต่พอมาถึงช่วง10วันแรกของเดือนรูติญ่าเนี่ยมันทําอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่มีเอติกาฟะก็เลยหนักหน่อยรดนรง์กันยากหน่อย10วันแรกของเดือนรูติญ่าเนียรดนรงยากนิดหนึ่งผล้วบางคนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นในฮาเดส์ด้วยที่บอกว่าระหว่างอิดุลอัฎฮากับอิดุลฟิตรีอิดุลฟิตรีก็คือหลังจากที่เราถือสิญอดเสร็จแล้วแล้วเราก็อิดุลฟิตริตอนรับอิดุลฟิตริกับอิดุลอัฎฮา กับอีดุลอัฎฐาอันไหนที่ยิ่งใหญ่กว่ากันเห็นไหมครับในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าอีดุลฟิตรีมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะเหนื่อยมาทั้งเดือนอดข้าวมาทั้งเดือนพอจะออกอีดุลฟิตรีมันก็เลยรู้สึกรื่นเริงดีใจมากเลยแต่อีดุลอัฎฐานี่ทำงานอยู่ดีๆทำงานปกติอ่ะก่อนที่จะมาถึงรายฮัจจีใช่ไหมครับ ยังขายข้าวอยู่ยังทำนู่นทำนี่ไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆก็มีรายย่ออิดุลลาฮาขึ้นมาเอ๊ะมันรายย่อทำไหมวะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วอิดุลอาฮายิ่งใหญ่กว่าวันที่ประเสริฐที่สุดคอยโรยามนนะครับวัวันที่ดีที่สุดดูอาที่ดีที่สุดก็คือดูอาที่ท่านนบีบอกว่าดูอายุมอารัฟะวันอารฟะ ฮะดิษบางฮะดิษบอกว่าดวงวันเชือดสองวันเนี้ยแข่งกันวันอาราฟากับวันเชือดเชือดสัตว์หลังจากที่อุบุปเสร็จเนี้ยแข่งกันยังไงอุลามะมีทัศนะที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าอาราฟาดีกว่าบางคนบอกว่าวันวันเชือดดีกว่าแต่ทั้งสองวันเนี้ยยิ่งใหญ่ทั้งสองวันเลยมาาัสามอะลัยฮุตุสาะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับฝากฝากไปก่อน ฝากไปก่อนว่าเราจะทำอย่างไรดีเพื่อให้สิบวันแรกของเดือนสุฮิจัะ์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่ในใจของเราถึงแม้ว่าเราจะทำได้ไม่ได้ขนาดไหนก็ค่อยว่ากันอย่างน้อยที่สุดการสิกิฟต์ต่อร้องสุภาพนาอะไรอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการตักบีรอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งสุนนะ ท, ที่เราไม่ทำสุนนะุนมหจูระก็คือการตกบีรตั้งแต่วันนี้เลย หมายว่าหมายถึงว่าเราตักบ็ดได้เลยตักบ็ดคนเดียวนะครับไม่ใช่ตักเบ็ดแบบไม่ใช่ว่านั่งมานั่งกันตักเบีเหมือนอไม่ใช่ตักบ็ดคนเดียวอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บนรถอยู่ที่ไหน allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar อัลลอฮฺอัลบอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลาอฮฺอัลลัลลอฮัลลอฮอัอัลลอฮอััลลอฮอััอฮออลัลล ออกไปที่ตลาดเลยเพื่อให้คนอื่นเราไปไปเป็นให้คนอื่นไปปลุกไปตักไปตักตือนไปสะกิดให้ให้ซอลปักคนอื่นๆในตลาดเนี่ยวันนี้ถึงละวันสุกวันแรกของเดือนรุ่งเช้าเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับลองส่งข้อหน้าต่างๆอยากจะให้เรามีส่วนร่วมกับพี่น้องที่กำลังทำฮัทจิวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำฮัทแต่ทำยังไงให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเรากําลังอยู่ในบรรยากาศที่มุสลิมทุกคน อ้ดุลอาถาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันข้านั่นแหลนะครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงอ้ดุลอาถาอย่างเดียวเนี่ยมันพูดได้หลายอย่างมันพูดได้ทั้งในบริบทของประวัติศาสตร์ยุบมาตั้งแต่สมัยนบีบรอหิมอะลัยสัลามจนถึงนั้นสมัยนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยสัลลัมพูดถึงในบริบทของการเมืองการปกครองนะการสร้างอุ้มมะหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากอดุลอาถาได้ แต่ว่าในบริบทของการทําอิบารัดนะครับสนับสนุนและก็ส่งเสริมอย่างมากให้พวกเราทุกคนนั้นทําอิบารัดอามัลซอโซลและช่วงสิบวันแรกของเดือนรูเลชานะเชื่อ Allah สมบูรณ์ทางแล้อย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเต็มที่กับมันได้นี่วันอัลอฮ์ฟะนี่อย่าพลาดวันอัลอฮ์ฟะก็คือวันที่บรรดาหุจจ์วกูฟกันที่อัลอฮ์ฟะนะครับปีนี้ก็ตรงกับวันวันวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สาม นั่นคือวันอรลฟะ์นะครับแล้วก็ใครที่มีความสามารถจะกุรบางได้ก็ส่งเสริมให้มีการกุราลด้วยนะครับเพราะมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอดุลอัลฮะนะครับที่ถูกระบุในอัลกุรอานด้วยซ้าไปวันนี้มาดูสักนิดหนึ่งนะครับ suratu al m k ที่เราเรียนกันอยู่อ่านตั้งแต่ออา น, อานตั้งแต่อายทัที่อายัดที่5นะครับเป็นต้นไป อุบิลลอฮ์ ن ا ل ش ัลชา ا านุรจีม ولقد زين السما الدنيا بمصابيح وجعلنا وجوم الشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعي. وللذين َ كفروا َ ب ِ ر ب ِّ ه ِ م ْ ع َ ذ َ ا به ج َ ه م ن َّ م ج و َ ب و ئ ْ س المصير. و ص إذا รูฟีฮาสามูลาฮาเฉหีควอฮียาเทฟูทคา ا ูตไมยซูมีนไล كلما أ ل ق َ فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم ي ที่คุณนดีร์ซาฮฺอัลลอฮฺข้าพเจ้าไม่รู้จักที่นี้กล่าวว่ากล่าวว่าข فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ข ا ให้ขุนนางนั้นสบายใจที่เราดูแลให้ราษฎรได้ขอ ح ัลฮัมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้อธิบายอายะที่5ไปส่วนหนึ่งนะครับว่าเราจ่ายเงนนัสมารถ الدنيا บ่มัลสาบีห์และเราจงนา و ธรูจูมะลิชัยอตตนนี่คือข้อที่จริง เกี่ยวกับการสร้างของล่องสมคานาวตตะละการสร้างท้องฟ้าแล้วก็การสร้างาดวงดาวนะครับที่อลัลตตาะลาบอกว่าเปรียบเสมือนกับมอรอบี้ดวงไฟนะครับที่ให้แสงสว่างนอกจากนั้นมันก็ยังมีประโยชน์อีกด่างหนึ่งก็คือรูจูแมนหรืชัยอลตนเป็นสิ่งทีนะ่เป็นอาวุธที่จะคอยทำลายสัต รูขอ Allah سبحانه แาาาละที่จะขโมว ย, วยวิญญาณครับเพราะฉะนั้นนี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลกุรอานได้พูดถึง س ب ح า ن ه และ Allah นะ Allah านาาละ ت ع ا ل พูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ในขณะที่ถ้าเราลองนึกจินตนาการไปตอนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมามนุษย์ยังไม่รู้อะไรเลยอย่าว่าแต่นะครับ เรื่องอุกาบาตเรื่องดวงดาวเรื่องท้องฟ้านี่ไม่รู้อะไรทีนะสมัยนั้นใครจะไปรู้อะไรแต่เอลคุณอ่านมาแล้วเอาคุณอ่านล้ำหน้ามาก่อนแล้วอธิบายอุกาบาตอาธิบายดวงจันทร์อธิบายดวงอาทิตย์อธิบายท้องฟ้ามาชา Allah. อัลลอฮย่ว่าแต่คนสมัยก่อนคนสมัยนี้บางคนก็ยังไม่รู้อะไรที <laughs> ไม่ได้เรียนอะไรทีครับ <laughs> ไม่ได้สนใจที่จะเรียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะรู้จักแต่ใช้ประโยชน์มันอย่างเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านอัลกุรอานอายัดต่างๆแบบนี้มันจะทำให้เราหวนกลับมาดูวนกลับมาดูว่าอัลกษัลาให้เราดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรและเราได้เตรียมสาหรับพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาชายปอนนอกจากอัลลอฮฺุบไพร์เราจะ คอยให้อ uh, so, um ุกาบาตมาเผาพวกชัยตอนแล้วเวลาที่มันจะไปขโมยวายูจากฟากฟ้าเนี่ยอัลตลาบอกว่าในวันอาครัตนะเมื่อกี้เผากับอุกาบาตเนี่ยในโลกดุนียส่วนในวันอาครัตเนี่ยว่าอตเดนาลหฮุมอาดะบัสซัยอัลตัล่าจะเผาพวกเขาในไฟานรกนะอุบิลละ์มินลิถ้ามีคาถามขึ้นมาว่าอ้า ชัยตอนเ็าถูกสร้างมาจากไฟแล้วจะเอาไปทรมานกับไฟได้หรอพี่น้องว่าไงมันจะเจ็บอ่ะมันจะเจ็บหรือเปล่าเอาไฟไปเผาไฟมันจะเจ็บหรือเปล่ามีคำตอบไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีใครถามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะเองก็อธิบายนะครับบอกว่าก็บอกว่านาอุลอาขรา أش ดุมในนาริจินชัยนิอิหรานรกไฟของนรกเนี่ยมันไม่เหมือนกับไฟที่เอาไปสร้างชัยตอนขนาดไฟบนโลกดุนยามันก็มีหลายประเภทไฟที่มาจากเทียนไฟที่มาจากไม้ไฟที่มาจากแกส๊สไฟที่มาจากอะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ไฟที่เอามาสร้างจากเชตอนเนี่ยไม่รู้เป็นไฟแบบไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆมันสู้ไฟนรกไม่ได้เด็ดขาดไฟนรกเนี่ยหนึ 1, ่งพปีถูกสุมไฟหนึ่งพันปีจนกระทั่งมันเป็นสีแดงแล้วสูบอีกหนึ่งพันปีจนกระทั่งมันเป็นสีดําสูบอีกหนึ่งพปีจนกระทั่งมันเป็นสีขาวสามระยะ ในการในการเตรียมไฟนรกเพื่อที่จะทำลายล้างคนที่ต้องถูกลงโทษเอาซะเป็นลลไ เ, เพราะฉะนั้นไฟที่สร้างชัยตอนเป็นไฟที่เาเรียกว่าคุณภาพต่ำกว่าไฟนรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไฟนรกจะกลืนกินตัวชัยตอนจนจนจ น, จนหมดสิ้นนะครับนี่คือคำตอบของของอุลามะหรือบางคนอาจจะถามว่า มีผมเคยจำจาจําได้ครับคล้ายครับคลานะครับเป็นเรื่องราวของอิมามอบบฮานิฟะที่มีคนมาถามอย่างเงี้ยตกลง ว, ว่าชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟแล้วจะลงนรกได้ยังไงอบบาฮานิฟะก็เลยเอาไหไห้ด้วยวาภา ช, ชนะที่ที่เป็นลักษณะเหมือนกับไหนะครับเอาไปทุบหัวคนถามเมื่อกี้แล้วถามว่าเจ็บหรึเปล่าเจ็บ ไห้นี่สร้างมาจากอะไรสร้างมาจากดิน <g ül> แล้วตัวเจ้าสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากดินามาจากดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นดินกับดินมันก็เจ็บะแล้วนับภาษาไฟกับไฟมันก็เจ็บได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปคิดมากนะครับว่าเราแตา่ละทำได้ทุกอย่างใช่ป่ ะ, อะเอาหินเอาดินมาทุบหัวเนี่ยเอาดินแข็งแข็งมาทุบหัวเนี่ยหัวแตกไหมแตกเอาดินกับดินมันเี็ยงังมันก็ยังลงโทษกันได้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องอาศัยต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดสัก น, นิดนในการคิดบางทีเราก็คิดไม่ออกนะครับแต่บรรดาอุลมามะเนี่ยมาสอนละละอะไรให้ความสติปัญญากับพวกเขานะสามารถตอบคําถามพวกนั้นได้บางทีคําถามพวกนี้เป็นคําถามกวนกวนประสาทมากกว่าไม่ได้ถามอะไรหรอกนะครับถามก็ถามลองเชิงไม่ได้ใช้เอาไปทําอะไรจริงๆได้ทีถามเพื่อที่จะรู้ว่าเออจะตอบได้รหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาสุบิลลนละแต่ถ้าหากเรายอมรับ ด้อยดุสดีรนี้เราฟัอายตนิและอัตด์น่า ل ه ذ ا ب السعير الله تعالى بوا براء مطير عذاب السعير ไฟนรกที่เผาผลนที่จะมาลงโทษบรรดาชายตร์เราเชื่ออย่างนั้นเจ้าไม่ต้องตั้งคำถามอะไรอีก وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبفس المصير และสําหรับบรรดาคนกาฟเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธ า, าต่อ Allah Subhanahu wa Taala นั้นจะได้รับนรกอาญาบนรกจะฮันนน์วาบิสัลโมซีและนั่นและคือบั้นปลายที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วที่กลับคืนนะที่กลับคืนที่เลวร้ายที่สุดแล้วนรกจันนน์อัลลดีนกาฟารุบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในที่นี้เนี่ยรวมหมดเลยนะครับทั้งจินทั้งมนุษย์ อายัดที่ห้านั้นเฉพาะยินเฉพาะชัยตอนอย่างเดียวแต่มาอายัดที่หเนี่ยรวมทั้งยินรวมทั้งชัยตอนหมดแล้วนี่คือความหมายนะครับชัดเจนมากนะครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอะไรยยเยอะแยะเลยวลลลซีนักสรุอาซาบูญานำวะบิสัลมอสีเป็นการอธิบายในภาพรวมเป็นการยืนยันนะครับว่านารกญันนำนั้นมีจริงเป็นอคิดะของพวกเราทุกคนของมุสลิมทุกคน เป็นหนึ่งในรายละเอียดการศรัทธาต่อวันอาทิตย์หลักการศรัทธาหประการหนึ่งในจนํานวนหลักการศรัทธาหประการก็คือการศ ร, รัทธาต่อวันอาทิตย์รายละเอียดของมันมีอะไรบ้างหนึ่งในจนานํานวนรายละเอียดของการศรัทธาต่อวันอาทิตย์ก็คือต้องศรัทธาว่าอนรูฮักนรกนั้นมีจริงไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ที่เขาบอกว่านารกอยู่ในอกนะอะไรนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ใช่ ไม่ใช่คำพูดรูๆเป็นของจริงที่จะต้องเกิดขึ้นจริงหลังจากที่อัลลอฮฺซุหานะวาจาละยืนยันในภาพรวมว่าชัยตอนที่เลวร้ายที่ชั่วช้าพวกนี้กับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุหานะวาจาละจะต้องเข้านรกพระองค์ก็อธิบายเหตุการณ์หรือสภาพบางส่วนที่คนที่ตกนรกจะต้องเจอ เป็นน้องครับต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูให้ดีเพราะภาพที่เอาล็อกสภาวะแต่และจะฉายเกี่ยวกับนรกเนี่ยมันไม่ใช่การเล่าเรื่องนิทานปรมปราหรือเล่าเรื่องเพื่อความสนุกแต่ต้องการที่ให้เรานั้นได้รับบทเรียนสังเกตแตดับบุตรใคร่ขวดเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกในใจของเรานะครับเกิดความกลัว เปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมว่าเราจะเอาตัวเองให้รอดพ้นจากนารกยังไงในอักุรอานอัลกรุรอ า, านพอล่องสุภาเราตาลถ้าเราอ่านอัลกุรอานตั้งแต่แรกจนจบเราจะพบว่าอายัด ต, ต่างๆที่พูดถึงนรกนั้นมีหลากหลายและเกิดเราคิดก็เคยเรียนบัางแล้วนะครับตอนที่เราเรียนในยุสุที่สามสมีหลากหลายและเกิด ความหลากหลายที่อรรถาลาพยายามจะนำเสนอภาพของนรกนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้เราเกิดความรู้สึก Raymond. ขยาดและก็เกรงกลัวต่อมันจริงๆเวลาที่เรากลัวนรกเวลาที่เรากลัวการลงโทษของล่อสุภาวาสตาลในนรกเนี่ยมันจะทำให้เรามี อ, าอะไรเขาเรียกนะมีสติในการใช้ชีวิตอัลเข้า การที่เรามีความกลัวจะทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตไม่ใช้ชีวิตแบบคนสัมมาเลเทมเมาไม่ใช้ชีวิตแบบปล่อยให้ตัวเองทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้แยแสว่สาอัลลอฮฺจะลาห้ามอะไรบ้างละต่าละสั่งอะไรให้ทำอะไรบ้างละต่าละให้เราเลิกให้เราละอะไรบ้างถ้าเราไม่มีความกลัวเนี่ยเราก็ทำได้ทุกอย่าง ต้องได้ทุกอย่างในโลกดุนยาเนี้มันมีของที่จะทาให้ให้เราทำนี่เยอะมากๆเหลือเกินมันมีเมื่เสียดเป็นพันเป็นล้านชนิดเป็นหมื่นชนิดที่จะรอให้มนุษย์ไปทำอะ่ะแล้วทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺประทาสร้างสรรนาตกรรมการทำบาปได้ไม่หยุดหย่อนตั้งแต่ยุคอาดามมาจนถึงยุคของพวกเราเนี่ยสิ่งประดิ์ต่างๆที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ย ผมว่ามันรองรับการทำบาปมากกว่าการมากกว่ารองรับการทำดีใช่หรือเปล่าน่าคิดอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกสร้างมาในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ถ้าเราถามคนผลิตเนี่ยเขาผลิตมาเพื่ออะไร <c oughs> อ่เว็บไซต์ต่างๆนี่มันมีอยู่กลาดเกลื่อนด่าสะดืนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูเนะี่ย วันแรกรู้หมวินาทีแรกที่เขาคิดค้นสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อบอกว่าจะเอามาเสริมสร้างอหมรันของมนุษย์ให้มนุษย์เข้าใกล้ชีดอล อ, อลอสบอลตารามากขึ้นคุณไม่มีนะหน้าถามมันกันลองลอ ง, ลองส่งจดหมายอีเมลไปถามคนที่พวกเจ้าของเว็บไซต์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความนับสูของเราทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความสบายของมนุษย์ทั้งสิ้น ไอ้ความสบายนี่แหละที่มันมันมันมันจะไปในแนวแนวทางนั้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมอย่างเยอะวันนี้นั ก, กว่าไหมานะครับ ظ ه ر ا ل ف س ا د ف ي ا ل ب ر ا ل บ ح ر ب م ا สบ س ب ไอดินนาสความหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำเดี๋ยวละตาลาบอกเนี่ยเกิดมาจากไอดินนอสเกิดมาจากฝีมือของเราทั้งสิ้นอะไรจะเป็นตัวควบคุม ลองถามดูอะไรจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้มนุษย์ทำชั่วไม่ให้มนุษย์ทำบาปเป็นยาที่สามารถจะควบคุมได้ชั่งัดที่สุดถ้าไม่ใช่นรกสำคัญก็คือว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจนรกได้อย่างไงจะศรัทธาต่อ น, นรกได้อย่างไงแค่นั้นเองถ้าไม่ศรัทธารู้จักนรกผลเติน ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับนรกมันก็ยังทำบาปอยู่ดีนาสุเป็นหลาเพราะฉนะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอาเกดานี้จะต้องเป็นอากกด่ที่เขาเระะียกว่าฝังแน่นในความเชื่อในหัวใจของเราจนกลายเป็นอลมุลยากีนอลมุลยากีนความรู้ที่ชัดเจนชัดจนกระทั่งมันมันไม่สามารถจะถอนออกจากหัวใจได้อีก เหมือนกับในรห์ที่เราอ่านอะระอัละมุตากา ا ل م, م ل ت ح م ل ت ح ي م ت ا ل ت ต้องกลับไปทบทวนสุรห์นี้ เราสอนมาแล้วนะครับสุรักษ์นี้ว่าสักวันหนึ่งอลัอลฮาอลัลลอฮบอกอีอกอัลฮาคุมตุตะกาสุรดุนยาการสะสมดุเนยียทำให้เจ้าลืมสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเนี่ยเอาตัวเองกลับมาจากอาการหลงลืมได้ก็คือฮัจจซุรตุลมะกจนกระทั่งเราเข้าไปเยี่ยมกูโบเมื่อเราตาย เมื่อเราใกล้าตายยังไม่ตายดีกําลังจะใกล้าตายง่าบงาบ๊งาบง่อยู่เนี่ยเริ่มละเพิ่งเริ่มเพิ่งที่จะนึกสำนึกตัวเองนะหรือเราอาจจะประยุกต์ใช้ด้วยการไปเยี่ยมกูโบก็ได้นะครับไปลําลึกถึงด้วยการไปเยี่ยมกูโบไปดูสภาพของคนตายไปเยี่ยมคนตายหรืออะไรลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่ า, ว า, วา ah พระเจ้าทรงตรัสแล้วว่าและถ้าเราวุ่นนรกจริงๆ ตอนที่เราเห็นนั่นแหละมันจะมีเอลมเลียกินมาตอนนี้มันไม่ยากินเพราะเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรับการเรียนรู้ให้เราเข้าใจนรกแล้วก็สวรรค์ของล่องสวรรค์จัลละจนกระทั่งมันเกิดเอลโมเลียกินขึ้นมาได้อย่างไงเพราะฉะนั้นอัลกุรอานก็เลยต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดเยอะมากนะครับแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งในการพูดถึงนรกเนี่ยอ๋อพระอัครบัติถ้าเรานั่งคิดคนเดียวนั่งตะดำบดคนเดียวผมว่า ถ้าหัวใจของเราไม่แข็งจริงๆถ้าหัวใจของเราไม่เป็นโรคเนี่ยมันมันมันตอบรับนีมันมันต้องมีอะไรก็เดียวเหมือนกับรู้สึกสดุดเวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาดูอายะ ท, ท, ที่เจ็ที่อัลลอลาพูดถึงในสุรทุลมุลกี่ยวกับนรกอีดาอุลกูฟีฮะสภาพหนึ่งของชาวนารกก็คือเมื่อ เราผู้ปฏิเสธพวกนี้ถูกโยนลงไปในนรกจันนามอุลกูถูกโยนลงไปแต่ไม่ได้เชิญนะเชิญเข้านรกไม่มีนะอุลกูถูกโยนลงไปในนรกจันนามถ้าตามฮะดิษสองท่านนบีสุลต่านสั่งละบางฮะดิษที่บอกว่าเวลาที่เราข้ามสะพานสิรอตมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านสะพานสิรอต ทุกคนจะต้องผ่านสะพานซิรรที่อยู่ที่ถูกพาดระหว่างนารกปลายทางนั่นเป็นสวรรค์ทุกคนที่จะเข้าสวรรค์จะต้องผ่านนารกก่อนใครที่มีอามางซอนล้วเยอะเขาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่รู้สึกตัวผ่านเหมือนกับจรวจผ่านเหมือนกับขีม่ม้าผ่านบางคนก็ต้องเดินบางคนก็ต้องคลานบางคนเนี่ยนะแล้วก็มีคร์เดแคลลรีแคลลารี ก, ารก็คือตะขอ ที่จะคอยที่กําลังอะไรนะกาลังฉุดให้คนที่เดินบนสิรอดเนี่ยตกลงไปเพราะฉะนั้นการตกนรกไม่ใช่สภาพที่มันน่าพิสมัยเท่าไหร่นะครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอุลกูเราแต่ล ะ, ออะใช้คาว่าอุลกูทุกโยลงไปในนรกนเะ้านั้าจะได้ยินเสียงที่ดังรุนแรง วเฮยทฟรูรุนแรงน่ากลัวและมันจะเดือดพลานอย่างรุนแรงที่สุดชะฮีกนี่คือเสียงของนรกชะฮีกมาดูความหมายนะครับคําว่าชะฮีกนี่หมายถึงอะไรชะฮีกเดนหมายถึงว่าเสียงโหยหวนนรกกําลังโหยหวนบางนักตับซีน บ, บอกว่า ตรดดู النفس ฟิสสดริลิสุ ع ุบทินว่านะเหมือนเวลาคนคล้าตายเวลาที่หายใจแล้วหายใจไม่ออกอ่ะนี่คือทั้งภาพทั้งเสียงประว่าทั้งภาพทั้งเสียงสยดสยองแค่ไหนนะครับอลไม่ใช่นะเข้าไปเงียบเงียบ เข้าไปเผาแล้วก็จบไม่ใช่นะครับทุกอย่างทุกทุกด้านทุกมิติของนรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺเรตัดละเตรียมมาเพื่อการลงโทษโดยเฉพาะจริงๆอย่าลืมนะครับเวลาที่อัลลอฮฺตัดลจะลงโทษเนี่ยพระองค์บอกเองว่าอินนัลลอฮะชาดีดูละเกรบลงโทษลงโทษหนักจริงๆไม่ใช่ลงโทษผ่านๆนะครับลงโทษหนักจริงๆลยามูตุฟีฮวะลายฮย ลงโทษในลักษณะที่ว่าไม่มีความตายและไม่มีความเป็นยังไงจำได้ไหมตอนที่เราอธิบายคำว่าละยาโมตุฟคนที่อยู่ในนรกนี่จะไม่ตายในนรกเวลายาฮยะและจะไม่เป็นไม่มีชีวิตในนรกไม่ตายและไม่มีชีวิตไม่ตายก็คือจะต้องถูกลงโทษชั่วกับชั่วกันตลอดในรังกา ไม่เป็นหมายถึงว่าการลงโทษของล็อกสาวาตตาลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงโทษครั้งเดียวนี่ทําให้คนตายได้เลยแต่ว่าไม่ตายเพื่อให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วรับการลงโทษที่สามารถตายได้เหมือนกับตายตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นอยู่ตลอดเวลาอัลลอสุบิลละหละอิลลาห์อิลลอห์ شهيد قوم وحياه تفوت เดือดพล่าน ไฟเดือดเหมือนกับน้ำที่กลาลังเดือด น, นักกัฟซีดบางคนอธิบายว่าเหมือนกับน้ำเยอะในงอใหญ่แต่ว่าใส่ใส่เม็ดใส่ใส่ก็ไรก็ไรใส่สมมติใส่ถั่วลงไปแค่เม็ดเดียวอ่ะให้มันเดือ ด, ดเดือดเดือดจริงๆรัลเลียานอัลฮับอัลกัลิลฟิลมาเอลกัฟซีดหมายถึงว่ า, าใส่ ใส่พวกเอ่อพวกเวลาที่เราต้มถั่วต้มอะไรเราใส่เข้าไปนิดเดียวแต่ว่าน้ำเยอะน้ำเดือดอนะน้ำสบินแรงแต่แกดูทำไมเยซูมีนัลไกนรกจะหันนำแทบจะปริแตกด้วยความเครื่องแค้นแต่แาดูหมายถ uh, ึงว right? ่าแทบแต่ไม่ยซุแต่ไม่ยซูเหมือนว่านรกเนี่เกือบจะแตกด้วยความเครียดแค้นเหมือทว่า เวลาที่นกรกมันกลืนกินคนที่ถูกลงโทษเนี่ยกลืนกินจริงๆไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆกัดทิเล น, นิตทล น, นิดไม่คู่ทีเดียวเลยเสียงคู่คูเหมือนคนกำลังมมมงมามาอ่ะเหมือนกับะเหมือนกับอะไรที่กำลังโดนขยุ่มโดนขย่ำโดนกินแบบน่าสยดสยองที่สุดเลยนะครับนี่คือความหมายของคำว่าแต่ก้าดู ถ้าไม่นรกเองเนี่เกือบจะปริแตกออกมามีนลอยด้วยความเครียดแค้นต่อคนที่นะเป็นผู้ถูกลงโทษในนรกยหั่นนมคุณลมาอุลกียาฟีฮาในซุรกอกกาฟนะครับน้องถ้าจำได้ซุรกอกกาฟเนี่ยนรกยหั่นนมจะถามกับอัลลอฮฺซุลกิลลาละเหมือนกับว่า มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยอิ่มในการลงโทษนรกไม่เคยอิ่มโยนลงมาโยนทีละพวกทีละชุดทีละพวกทีละกลุ่มยังไม่อิ่มนรกไม่อิ่มจนกระทั่งถา ม, ถาม Allah ح ح าอ Allah s u b า a n a h u wa t a a ว่าัลมีม زيد ม, มีอีกไหมมีอีกไหมแน่อิละฮะอิละละเพราะฉะนั้นเราอยากคิดว่าเอ้ยพอแล้ว นะครับคนที่เข้านรกนี่เยอะแล้วฉันคงไม่ต้องเข้าแล้วไม่อิ่งแล้วนะครับถ้าเราเข้านี่มันก็กินเหมือนกันไม่ใช่หอคนนี้เออสิทธิพิเศษเข้านรกแล้วไม่โดนไฟไม่มีนะครับอ้าวสุลนาลอออิละฮ์อิลล a l a h ซาบรุลลอฮ์อะลัฮุมะอินนานอูุบิกะินนัุลลมอุลกยฟีฮาฟจุนซลฮุมันตุฮ อลัลเล ม, ยมิยะจีคมนะทุกครั้งทุกครั้งที่ถูกโยนลงไปเนี่ยเวลาโยนลงไปไม่ได้โยนไปทีละคนทีละคนนะเป็นพวกเลยเฝ้านะทุกครั้งที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งถูกโยนลงไปซาอัละฮุมคาเจนะทูฮะบรรดาผู้เฝ้านรกก็จะถามพวกพวกเขานะถามตรงนี้นี่ถามไม่ใช่อยากจะได้คําตอบนะ ถามด้วยความเหยียดหยามประชดประชันสาอลลฮุมคอาะนาถุฮาคนที่เฝ้านรกเนี่ยมละอิกัดที่เฝ้านรกนี่ก็จะถามด้วยความเหยียดหยาเหยียดหยันเหยียดหยามถามด้วยอาการประชดประชันอ๋ออลลอฮฺอัลบาลพี่น้องครับขนาดเข้านรกนี่มันก็รุนแรงมากแล้วยังมีคนมาประชดอีกไม่จบนะอัลลบิลละฮ์มินตานีคนเฝ้านรกเนี่ยเหยียดหยามคนต้องเข้านรก นองตัวเป็นหลมันจะเลยสุดๆแล้วครับไม่มีอะไรที่จะสุดๆมากไปกว่านี้อีกแล้วในการลงโทษก่อนโลกสุภาอนัสสาลาใครที่ยังไม่ฟังฟังเสียใครที่ยังไม่กลัวไปนั่งดูอายะนี้ให้เยอะๆแล้วก็ไปนั่งดูอายะอื่นๆที่พูดถึงนรกให้เยอะๆเราเตือนท่านแล้วเวลาที่เราไม่ฟังสมมุติไม่ฟังวันนี้ไม่ฟังมาในวันนี้ทุกคนมานั่งฟังแล้ว อาจารพูดของอาจารย์ไปตะฟังอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคนะ <laughs> พอถึงวันหนึ่งแล้วโดนอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราวางให้ดีคนเฝ้านรกจะถามพวกเราว่าอลลอมยะทีุ่ม น, นารีรมีคนมาเตือนเจ้าแล้วไม่ใช่หรืออ <laughs> ย่ากลัวก ล, กลวจะโดนถามอย่างนี้แล้วเราจะตอบอยังไงอลลอมยะทีุ่ม น, นารีรมีคนมาเตือนเจ้าหรือยัง ตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยนบีมุฮัมมัดไม่ได้บอกเจ้าทีหรือตอนที่เจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ยังมีชีวิตอยู่นี่พวกเจ้าไม่ได้เคยฟังสักนิดเลยใช่ไหมว่ามีนรกมีสวรรค์อยู่ว่าเจ้าฟังแล้วแต่ไม่ได้ฟังฟังแล้วแต่ไม่ได้ฟังฟังเหมือนไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นไม่มีวันอาเครัตเนี่ยไม่มีการอายุติธรรม อัดอัลบั้วว่า وما كان الله ل <ت ص في ق> ه م ل ك, ك ن, ن كانوا أ ن ف, ف, من من ف, ف إ أ ن س م ي و ن ตีนแล้วครับบอกแล้วครับว่าเราทุกคดส่วนคุณจะเลือกเป็นสิทธิ์ของคุณฝันเชอ์อัลยุมินว่มันเชอ์อัลยักฟูรินนะอัตดะจัฮันนัอะไรนะในสุรุตุลกะฮ์ฟีนี่ Allah ท้าล่าว่าใครอยากจะกูฟรก็กูฟรไปสิ ใครอยากจะศรัทธ า, าก็ศรัทธาไปสิแต่ชันเตรียมนรกเอาไว้แล้วจบเล ย, รยครับอยากจะกูฟืเอาเลยตามส บ, บายอยากจะศรัทธาอัลฮัมดุลิลและแต่ฉันเตรียมนรกเอาไ ว, ว้แล้วเราแต่เราบอกแล้วอยากจะกูฟืใช่ไหมเอาสิแต่ฉันเตรียมนรกเอาไว้แล้วเวลาที่คุณเข้านรกเนี่ยคุณจะมาบอกว่าพระองค์ทํำร้ายฉันทําไมพระองค์อยุตีทำกับฉันทําไมไม่ไ ม, มีบอกแล้วว่าจะเตรียมนรกให้คุณเลือกจะเข้านรก ใช่ั้ยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโดนเหยียดหยามอย่างนี้เนี่ยกลับไปคิดเสียถ้าไปคิดเสียเพราะเรื่องนี้วัดใจกันเลยทีเดียวนะว่าเราจะเอาอย่างไงทนะํลองลองกลับไปไตร่ตรองดูนะครับนี่คือคำถามที่หนักมากนะครับเวลาโดนแล้วเนี่ยสุภานัลลแหละไม่มีโอกาสที่จะกลับไปอีกแล้วอขอร้องยังไง ขอกลับมาแค่หนึ่งวินาทีไม่ได้ไม่มีทางอีกแล้วพอถึงหน้าปากนารกแล้วเนี่ยไม่มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งจะขอร้องเขา Allah Subhanahu Wa Taala لا إله إلا الله سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلا น่าเวลาแล้วนะครับมาดูกันคำตอบของชาวนารกว่าพวกเขาจะตอบยังไงต่อหน้าอัลลอฮ سبحانه تعالى นะจ๊ะนะผู้ที่เฝ้าในรับยูนะครับทั้งที่เราไม่ได้รับยู ا ั้งที่เราไ ا ى ي ل ได้รับยูทั้งที่เราไม่ได้รับยูทั้งที่เราไม่ได้รับยู و ั้งที่ ا ราไม่ไ م ้รับยู ل ั้งที่เราไม่ได้ ل ับยูทั้งที่เราไม่ได ل รับยูทั้งที่เราไม่ได้รับยูทั้งที่เราไม่ได้รับยูทั้งที่เราไม่ได้รับยูทั้งที่เราไม่ไามัยเราเราู